ดิฉันได้รับหนังสือธรรมะจากคุณพิชิตวิท ญ, ญาพัทรวิมลพรมาตั้งแต่วันที่สิบสิงหาปีสีห้ารอคิวอ่านออกอากาศนะคะบัตรนี้ก็ถึงคิวที่จะอ่านออกอากาศแล้ว หนังสือมหาสติท่านบทแรกแก่นสารของพุทธศาสนาพุทธพจน์ในจูรสาโรปมสูตรประสุดตันตปิฎกเล่มที่สมีข้อความสำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพรามชื่อปิงคละโกจชะเรียบเรียงสรุปได้คือการประพฤติประมา์ในพุทธศาสนานม่ใช่มีลาบสการะ และความสาะเสริญเป็นอนิสง์มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอนิสงมิใช่มีความถึงพร้อมสมาธิเป็นอนิสงมิใช่มียานทัศนะเป็นอนิสง์รมอาจารย์ น, นี้มีความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับกังเิบเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดพูดให้ง่ายก็คือที่สุดของพุทธศาสนานั้นดีแค่ไหนเก่งปานใด ก็ไม่ชื่อว่าดีพร้อมหรือเก่งพร้อมตราบใดจิตยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสยังมีโลภมีโกรธมีความหลงเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเป็นตนเนื่องด้วยตนว่าน้ายึดมั่นถือมั่นอยู่แม้บางครั้งกิเลสเหมือนเบาบางลงหรือกระทั่งเหมือนสาบสูญไปถ้ายังคงถูกกระทบกระทั่งให้กิเลสกลับกาเริบด้วยประการใด ก็ชื่อว่าจิตยังไม่หลุดพ้นยังไม่หลุดพ้นจริงและเมื่อไม่หลุดพ้นจริงก็ยังต้องทุกยังต้องเดือดเนื้อร้อนใจได้ไม่ต่างจากสัมสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ยังต้องศึกษายังต้องเพียรอยู่ในขอบเขตการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์อยู่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าเหมือนบุรุษที่เที่ยวหาแก่นไม้ จะเจอกิ่งใบเจอสะเก็ดเจอเปลือกหรือว่าเจอกระพี้และสําคัญว่าเป็นแก่นก็ได้แค่ส่วน น, นั้นๆของต้นก็คือของต้นไม้นั้นติดมือกลับบ้านไปเพราะไม่ทําความรู้จักให้ดีให้ท่องแท้เส่นก่อนว่าแก่นเป็นอย่างไรสรุปความว่าความหลุดพ้นย่อมเกิดขึ้นที่จิตแก่นสารอันเป็นที่สุดของพุทธศาสนาอยู่ที่จิตที่ใจ เวลาเราจะมองว่าตนเองกำลังอยู่ตรงไหนหรือมาถึงไหนแล้วขอให้ดูที่จิตใจนั่นแหละไม่ใช่ดูที่กายเช่นรอให้คนอื่นทักว่าหน้าตาผ่องใสมีราศีดีอยู่ไหมแต่ดูเวลาที่จิตตัวเองเกิดกิยริยาตอบสนองสิ่งกระทบทั้งหลายดูว่ายังยึดมั่นถือมั่นมากน้อยเพียงใดดูว่าจิตปลอดจากสิ่งกระทบภายนอกหลือแต่ความรู้สึกนึกคิด ภายในต่างๆนานาจิตยังออกอาการสัดสายฟุ้งไปยึดฟุ้งไปมั่นหมายสเปสสะปะหรือเปล่าความสำคัญของการรู้จักแก่นสารให้ขึ้นใจในโมคคลานสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบห้าพระโมคคลาซึ่งเป็นอ卡รสาวกฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ว่า ข้าแต่พระองค์พูเจริญโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงไรหนอภิสษจจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาซึ่งก็หมายถึงถามว่าถ้าได้รวบรัมตัดความเอาโดยย่อที่สุดแล้วจะให้ปฏิบัติอย่างไรเพื่อเข้าถึงแก่นสารพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ประธานคำตอบคือทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น กับว่าตอนนี้เราทราบทั้งเป้าหมายและวิธีการของพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนแล้วเป้าหมายอันเป็นแก่นสารแท้จริงคือความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ส่วนกุญแจหรือวิธีการสู่เป้าหมายคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงซึ่งพระพุทธองค์แจกแจงต่อไปอีกนิดด้วยว่าไม่ใช่แค่นิดนิด เอาว่าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ต้องมีสติกำหนดรู้ธรรมทั้งหลายที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาตามจริงซึ่งเมื่อมีสติอยู่เช่นนั้นจะเสวยสุขเสวยทุกข์หรือรู้สึกเฉยเฉยก็เห็นความไม่เที่ยงของสุขทุกข์เฉยผลคือความสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากส่วนลึกที่สุดของจิตใจเพราะเห็นแจ้งแล้วว่าสรบพรสิ่ง มีค่าอย่างสูงสุดแค่ให้สุขอยู่ครู่หนึ่งให้ทุกอยู่ครู่หนึ่งให้เฉยอยู่ครู่หนึ่งแล้วกลับแปรปรวนดับศูญยไปหมดหาค่าอื่นกว่านั้นให้จดจารึกไว้ไม่ได้เลย ทำไว้ในใจอย่างถูกต้องแต่ต้นมือจะช่วยลดปัญหาระยะยาวลงได้มากดูกันที่ความยึดมั่นถือมั่นของจิตเป็นหลักจะได้ไม่ต้องเถียงไม่ต้องเกี่ยงหรือว่าปฏิบัติแบบใดสายใดลัทธิใดหรือกระทั่งาศาสนาใดว่าจะส่งผลให้ถึงที่สุดทุกได้สำเร็จแน่กว่ากันเหมือนดังกติกาไว้อย่างชัดเจนว่าใครเดินทางมาถึงกรุงเทพ ก็ขึ้นชื่อว่ามาส่วนหนึ่งของชาวกรุงเทพไม่ต้องแบ่งแยกว่ามาจากภาพไหนก้าววิ่งด้วยลีลาใดเร็วช้าต่างกันอย่างไรขอให้มาดูทิศจริงเถอะขอให้รู้ว่าใกล้ถึงกรุงเทพจริงเถอะขอให้ประจักษ์ว่าถึงกรุงเทพแน่แล้วตรงตามที่เขาร่ำลือกันว่าเป็นกรุงเทพเถอะอีกนายหนึ่ง การทำไว้ในใจอย่างกระจางแต่เริ่มแรกว่าแก่นสารอันเป็นที่สุดของพุทธศาสนานั้นผลจะได้อย่างนี้เป็นการป้องกันความหลงเข้าใจผิดเพราะจิตใจคนเราอาจถูกยกระดับได้จากหลายแนวทางเช่นระดับตื้นคือถูกยกขึ้นด้วยการสะดับตรับฟังการคลุกคลีอยู่ในโลกของโวหารอันงามลึกซึ้งของปราช หรือว่าระดับสูงขึ้นมาหน่อยก็คือถูกยกขึ้นเพราะมีโอกาสใกล้ชิดซึมซับรับกระแสจากคนแสนดีเลยพลอยจูงจิตให้ดีตามหรือระดับสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็คือถูกยกขึ้นเพราะปฏิบัติภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดคุณวิเศษเหมือนมนุษย์เป็นอเนกหรือกระทั่งระดับร่ ำ, รำ จะสูงสุดคือถูกยกขึ้นด้วยการเรียนรู้บัญญัติอันล้าค่าในขอบเขตของพุทธศาสนาเองเมื่อจิตใจถูกยกสูงขึ้นบางทีก็เกิดมุมมองแปลกใหม่แตกต่างกันจากเดิมเช่นเห็นคนอื่นยืนอยู่ในที่ต่ากว่าเห็นตนเองยืนอยู่ในที่สูงสง่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นกับดักของธรรมชาติอันไม่ใช่แก่นสารของพระพุทธศาสนาเราจะผ่านด่าน ผ่านกับดักไปได้ก็เพียงด้วยสติอันปลูกแล้วจากมาเมล็กพันธุ์แห่งสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบเห็นถูกตรงตามตัวแก่นสารและในหนทางเข้าถึงแก่นสารการเติบโตขึ้นของสติจึงจะเหมือนโพยใหญ่ที่ประกอบพร้อมด้วยใบบังร่มเย็นกิ่งก้านสาขากว้างขวางเปลือกงามชนชมกับ ทั้งทรงแก่นแท้ที่แข็งแรงมั่นคงตั้งตรงอย่างสง่างามบนพื้นอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านระดับแห่งการเข้าถึงแก่นสาร ของพระพุทธศาสนาดังที่เห็นจากพุทธวจนะโดยตรงว่าการได้แก่นของการปฏิบัติธรรมนั้นพุ่งเป้าไปที่จิตอันหลุดพ้นจากการครอบงำของกิเลสพ้นจากการเห็นกายใจและก็สภาวะธรรมใดๆเป็นตัวเป็นตนกับทั้งเป็นการพ้นในระดับเกิดปรากฏการธรรมชาติของจิตชนิดล้างผรานเชื้อกิเลสสิ้นซากอย่างที่เรียกว่ามัค ผลเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ตามจะเป็นคําพูดหรือภาษะกระทบจะง่ายหรือยากจะหยาบหรือประณีดจะสงส่งหรือต่ําต้อยจะเป็นปฏิหารหรือว่าเรื่องสามัญขอเพียงสามารถกระทบกระแทกจิตให้หลุดพ้นก็เป็นอันใช้ได้ดังจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงยอมใช้อุบายทุกชนิดเพื่อสะกิดคนประเภทต่างๆให้เข้าถึงมรรคผล เช่นในการแสดงธรรมครั้งแรกที่ทรงแจกแจงมรรคแปดอย่างยืดยาวละเอียดกระทั่งท่านโกนธัญญาบร ล, ลุโสดาปฏิผลเป็นพยานรายแรกให้กับพระศาสดาว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตารวมทั้งประจักษ์ว่านิพพานมีจริงคนธรรมดาเข้าถึงมรรคผลได้จริงแต่กับบุคคลที่ควรแก่ทม พระพุทธองค์ท่านก็เทศเพียงสั้นๆเช่นทําให้ท่านพาหิยะทารุจิระบรรลุอราตผลด้วยการแนะให้เห็นสักแต่เห็นได้ยินสักแต่ได้ยินทราบสักแต่ทราบรู้แจ้งสักแต่รู้แจ้งกระทําจิตไม่ให้เหลือที่ยืนของตัวตนไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกอื่นไหน และกับบุคคลบางประเภทพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ฤทธิ์เป็นเครื่องทุนแรงให้เกิดปัญญาเห็นธรรมอย่างเช่นพระนางเขมาผู้ติดใจยินดีในรูปลักษณ์อันงดงามแห่งตนพระพุทธเจ้าก็นิรมิตรสาวน้อยที่แลลดูในคราวแรกเลอโฉมพิดแล้วสักราร์ตากว่าพระนางเขมาอันร่ำลือกันว่าเลิศล่า แต่ต่อมาร่างในรมิดนั้นค่อยๆสูงวัยขึ้นจนร่วงเข้ากลางคนล่วงเข้าสู่ความแก่งงอมกระทั่งที่สุดกลายเป็นซากอสุภะน่าสะอิดสะเอียนชวนคลื่นเหียนไปพอพระนางเขมาย้อนมาดูรู้สึกตัวรู้สึกในสังขารอันลงนึกว่างามของตนอีกครั้งก็บังเกิดความสลดอย่างแรงและ ละพยศอันเกิดแต่ความหลงรูปหลงศัก์เสียได้จึงพร้อมฟังเทศนาและก็เกิดความเห็นแจ้งบรรลุมรรคผลได้ได้บวชเป็นพิกษุนีในเวลาต่อมาส่วนบุคคลบางประเภทพระพุทธองค์ก็ทรงใช้อุบายเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ง่ายๆเช่นพระจุลปันธกะผู้มีวาสนาบา ร, รมีแก่กล้าใกล้จะได้เป็นพระอระหันต์อยู่แล้ว แถมไม่ใช่อรหันธรรมดายังจัดเป็นอสิติมหาสาวกองค์หนึ่งอีกด้วยถ้าว่าอากุศลกรรมเก่ามาขวางปัญญาพูดง่ายๆก็คือท่านหัวทึบเป็นอย่างยิ่งใช้เวลาสี่เดือนท่องคาถาเดียวยังไม่สำเร็จกระทั่งพระพี่ชายไล่ให้สึกไปเสียแต่ด้วยพุทธญาณเล็งเห็นนิสัยอรหันในท่านพระพุทธองค์จึง มาห้ามปรามไว้ปลอบประโลมจนคลายโศกและก็อนุเคราะห์ธรรมด้วยการประทานผ้าเช็ดพระบาทกับทั้งตรัสสั่งให้ลูกไปโดยทำไว้ในใจเรื่อยๆว่าผ้าสำหรับเช็ดสิ่งสกปรกพระจุลปันธกะท่านเล่าเองว่าเมื่อฟังพระดำรัสแล้วก็เกิดความยินดีในศาสนาพอปฏิบัติตามก็เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในความเห็นผ้าขาวหมองไป พระเซ่งสกปรกคือกายของท่านนั้นเองกระทั่งเกิดความปล่อยวางถึงระดับอรหัตตภูมิในเวลาไม่เนิ่นช้ากลสภาพจากพระผู้มีปัญญาทึบเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญายิ่งใหญ่กลับจากหลังมือเป็นหน้ามือไปจนได้เมื่อแก่นสารของพุทธศาสนาคือทำให้จิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่น ระดับที่เกิดปรากฏการผลานกิเลสเป็นมรรคเป็นผลกับทั้งอุบายเฉพาะอันที่จะทำให้มรรคผลเกิดกับแต่ละบุคคลก็มีอยู่เราจึงควรพิจารณาอย่างดีว่าตรงไหนที่เหมือนตรงไหนที่ต่างตรองแล้วจะพบว่าแม้รูปแบบแตกต่างกันภายนอกแต่ภายในนั้นก็คืออาการที่จิตสลัดหลุดออกจากอุปทาน ว่านนคือตัวนี่คือตนเหมือนๆกันนั่นเองคุณภาพของจิตที่สลัดอุปทานอันเหนียวแน่นว่านี่เป็นเรานั่นเป็นท่านได้อย่างเด็ดขาดนั้นแน่นอนว่าต้องไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่ระดับคิดได้หรือว่าคล้อยตามจริงจากการอ่านการฟังแต่ต้องเป็นจิตในระดับใหญ่แล้วก็มีความประจักษ์แจ้งลึกซึ้ง ซึ่งของพันนี้ก็ย่อมไม่มาหาเราเองไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ต้องมีเหตุปัจจัยมีการสั่งสมอันพอดีกับธรรมสำหรับเราท่านที่ไม่มีวาสนาพอจะรับทางลัดจากพระพุทธองค์โดยตรงก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยคืบคลานสู่การเข้าถึงธรรมตามทางตรง อันได้แก่แนวปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้อย่างรัดกุมเพื่อให้พระศัตริ์ธรรมยั่งยืนและแพ่ออกไปในหมู่ชนอย่างกว้างขวางแน่นอนว่าเพื่อความรัดกุมนั้นจะไม่มีอะไรง่ายแบบลิกมือก็สำเร็จหรือเอื้อมหน่อยก็คว้าได้จะไม่มีอะไรสั้นแบบอยู่ดีๆใครเคาะศีรษะหรือทะลวงจุดทึบ ให้แล้วกิเลสหลุดทันใจเราจาเป็นจะต้องศึกษาอย่างรอบคอบจากหลักแหล่งที่เชื่อได้มากที่สุดว่าเป็นพระพุทธวจนะจริงถึงแม้จะมีครูมีอาจารย์ที่รู้สึกเคารพนับถือสักเพียงไหนก็ต้องทำไว้ในใจว่าครูของเราอาจารย์ของเราจะต้องพึ่งพระพุทธบารมีเหมือนกัน พูดตามพระพุทธเจ้าเหมือนกันพูดเองเออเองไม่ได้เหมือนกันทุกคนจะสบายใจได้ว่าไม่หลงทางถ้าตามรอยคนนำทางแรกสุดที่ทุกคนเห็นพ้องว่าท่านถึงจุดหมายแล้วบางคนอาจด่วนสรุปว่าอย่างนี้เห็นทีรอเกิดในพุทธการน่าจะดีกว่าจะได้มีทางลัดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียเวลา ลองผิดลองถูกนี่นับว่าเป็นความคิดประมาทประการหนึ่งความทุกข์มีอยู่ในปัจจุบันก็ปล่อยปละละเลยทางดับทุกข์มีอยู่ในปัจจุบันก็ทอดทุระเสิแล้วทุกข์ข้างหน้าจะยิ่งกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบค้นทางดับทุกข์จะมาถึงเราในอนาคตแน่หรือเปล่าก็ไม่รู้อันที่จริงแล้ว ใช่แต่คนยุกเราหรอกที่ต้องขวนขวายต้องดิ้นรนต้องเพียรพยายามตายเต้ากันทุลักทุเลในการดำเนินตามทางสู่ความพ้นทุกข์คนยุกพุทธการส่วนใหญ่ก็ดำเนินตามวิถีทางปฏิบัติเช่นเดียวกันจะเห็นได้จากหลักฐานมากมายในพระไตรปิฎกว่ามีภิกษุภิกษุณีจำนวนหนึ่ง ขอรับแนวทางปฏิบัติจากพระพุทธองค์แล้วหลีกกร้นไปเก็บตัวตามป่าเขาใช้เวลาบาเพ็ญกันนานใช้ชีวิตเป็นเดิมพันหลายรายเกิดความท้อแท้สมสารอดครวนอย่างศึกหาลาเพศจึงพิจารณาแล้วก็หาได้ต่างจากที่เกิดขึ้นตามจริงในปัจจุบันเลยยุคราลำบากกว่าพุทธกาลหน่อยนึง ตรงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแบบเป็นตัวบุคคลมาชี้ถูกชี้ผิดหรือระบุตรงๆว่าใครปฏิบัติมาถึงไหนควรจะพัฒนาให้ก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ได้อย่างไรแม้พระาศาสดาจะตรัสสั่งเสียให้คำสอนของพระองค์เป็นตัวแทนสืบไปก็หาชาวพุทธได้น้อยนะักที่จะอ่านคำสอนดั้งเดิมของท่านอย่างทั่วถึงด้วยความเคารพ แถมอ่านคัมภีร์เล่มเดียวกันก็อาจจะตีความหมายแตกต่างกันคิดเห็นไม่ลงรอยกันเมื่อสืบทอดพุทธศาสนาผ่านไป 2,500 ปีเศษปัจจุบันก็มีเกณฑ์การวัดความคืบหน้าแตกแย ก, กไปมากมายหลายหลากเช่นบางกลุ่มเชื่อในเรื่องของสีแสงบางกลุ่มเชื่อในเรื่องของนิมิตแบบต่างๆ เช่นบางกลุ่มเชื่อในเรื่องของสีแสงบางกลุ่มเชื่อในเรื่องของนิมิตบางกลุ่มเชื่อในความอย่างรู้นามรูปเป็นขั้นเป็นลำดับตายตัวที่นี้เราเน้นพูดกันเรื่องสติปัฏฐานสีให้ลงกันได้เชื่อถือตรงกันทุกนิกายว่ามาจากพระโอษ์จริงเพราะฉะนั้น ก็จะจำแนกโดยถือสติปัฏฐานสี่เป็นเกณฑ์โดยตั้งมุมมองไว้เพียงคร่าวก่อนเมื่อลงมือขออภัยค่ะเมื่อลงลึกถึงรายละเอียดในหมดธรรมแล้วก็แสดงยาน67ชนิดซึ่งพระสารีบุตรจำแนกไว้ในปฏิสัมพิธามักต่อไปในบทที่ส7เจ็ สติปัฏฐานสี่และการรู้สี่ระดับสติปัฏฐานตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้อ่านว่าสติปัตฐานแต่นิยมอ่านทั่วไปเป็นสติปัฏฐานซึ่งก็ถูกตามหลักออกเสียงบาลีที่จะไม่นำตัวสะกดมาออกเสียงแม้มีข้อยกเว้นก็นำมาใช้กับคำนี้ไม่ได้ แปลว่าคำอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสติอยู่ตรงฐานไหนระดับความละเอียดในการรู้ก็อยู่ตรงฐานนั้นหนึ่งกายทุกเนื้อเยื่อทุกเส้นใหญ่จากเส้นผมถึงปลายเท้าเป็นสิ่งถูกรู้ได้ง่ายที่สุดเพราะเป็นของหยาบของจับต้องสัมผัสได้ หากเล็งตรงจุดอันเป็นที่สุดแนวการดูกายของพระพุทธองค์ต้องเห็นกายได้ทั่วพร้อมทั้งแท่งว่าเป็นที่น่ารังเกียจของหน้าชิงชังอุบายที่จะเห็นชัดทั้งกายในที่สุดนั้นเริ่มจากการดูเปลือกของกายก่อนเช่นอาจถามตัวเองว่ากําลังหายใจเข้าหรือออกกําลังยืนเดินนั่งหรือนอนกาลังขยับ ไว้อวัยวะส่วนใดของร่างกายซึ่งบ่อยเข้าจิตก็ปักหลักรู้กายไปเองส่วนจะพิจารณากายเป็นของอื่นของหน้ารังเกียจอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกระดับหนึ่ง 2. เวทนาเป็นสิ่งถูกรู้ได้ง่ายลองลงมาจากกายเพราะความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นั้น ผูกติดกันอย่างแนบแน่นกับภาษะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นและกายแม้แต่ส่วนความคิดซึ่งเข้ากระทบใจอยู่ตลอดก็จัดเป็นภาษาที่ให้ความรู้สึกเป็นสุขและเป็นทุกข์ได้หากเล่งตรงจุดอันเป็นจุดที่สุดของแนวการโดเวทนาของพระพุทธองค์ก็คือให้รู้จักเวทนาทุกชนิดทุกเงื่อนไขโดยเริ่มง่ายๆคือให้รู้ว่า อย่างนิสุขอย่างนิทุกอย่างนิเฉยและอันเนื่องจากเวทนาเป็นนามธรรมโดยธรรมชาติจึงมีการแสดงลักษณะแปรปรวนเห็นง่ายกว่ากายฉะนั้นนอกจากจิตจะเข้ารู้ธรรมชาติในระดับที่ละเอียดขึ้นกว่ากายยังต้องนับว่าเข้าใกล้ความเห็นสัจจกเกี่ยวกับอนิจจังของสภาวะได้เร็วกว่ากายด้วย ข้อ3จิตสภาวะอันกุศลเป็นอกุศลเป็นกลางของจิตเป็นสิ่งถูกรู้ได้ยากกว่าเวทนาเพราะปกติคนเราจะถูกความรู้สึกดึกคิดห่อหุ้มไว้เป็นเปลือกหนาขั้นแรกสุดหากขาดการรองรับจากการรู้ระดับที่หนึ่งและระดับที่สอง ก็จะเข้าถึงการรู้สภาพจริงๆของจิตในปัจจุบันขณะได้ยากข้าแกล้งตรงจุดอันเป็นที่สุดแนวการดูจิตของพระพุทธองค์ก็คือให้รู้จักจิตทุกแบบไม่ยกเว้นแม้แต่จิตที่นิ่งหรือจิตที่หลุดพ้นหรือจิตที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าพระพุทธองค์มีอุบายให้รู้จักจิตอย่างเหมาะสมในขั้นต้น ก็คือให้ดูเปลือกหยาบของจิตก่อนเห็นอาการของจิตตรงผิวนอกก่อนคือให้รู้ตามจริงว่าจิตมีราคาเป็นอย่างไรรู้ว่าจิตมีโทสะเป็นอย่างไรรู้ว่าจิตมีโมหะเป็นอย่างไรเพราะเห็นบ่อยๆก็ค่อยๆเข้าใจสภาวะของจิตแบบหยาบได้เองว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อเห็นสภาวะจิตแบบหยาบก็ค่อยๆตย่ ลำดับไปเห็นสภาวะจิตแบบละเอียดได้เช่นกันรู้ว่าทุกสภาวะมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเหมือนนกันข้อสี่ธรรมสภาวะโดยรวมทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งภายนอกและภายในในระดับของการรู้สภาวะธรรมนั้นไล่ตั้งแต่อย่างหยาบไปจนถึงอย่างละเอียดที่สุดลึกซึ้งกว่าการเห็นกายเวทนาจิต อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหากเล็งตรงจุดอันเป็นที่สุดของแนวการดูธรรมของพระพุทธองค์คือความรู้จริงแบบอริยะหรือที่เรียกอริยสัจซึ่งไม่แค่ให้กำหนดรู้เรื่องสภาวะธรรมอันเป็นทุกข์ทั้งปวงแต่ยังมีการกำหนดรู้ทางดับทุกข์รวมไว้ด้วยเริ่มต้นขึ้นมาพระองค์ท่านก็ให้เห็นก่อนว่า เราถูกยั่งสดอยู่ในเพลิงทุกขอย่างไรโดยพิจารณาจากทุกชนิดอยากเช่นความอยากในกามความพยาบาทความหดหู่ง่วงงนความฟุ้งซ่านและความอัดอั้นลังเลสงสยัยกับตรัสแนะให้เอาตัวออกมาจากไฟเสียก่อนจึงค่อยคิดกำจัดเชื้อไฟหรือเหมือนเอาตัวออกมาจากปากเสือจึงค่อยคิดสู้กับเสือต่อไป อาวุธสำคัญคือรู้เข้าไปในธรรมทั้งปวงว่ามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือมั่นแม้แต่นิดเดียวสรุปคือระดับของการรู้ตามแนวสติปัฏฐานสี่มีสี่ระดับสัมพันธ์กันโดยตรงกับฐานของสติเองถ้าฝึกตลอดสายแล้วก็จะได้ผลคือระดับที่หนึ่งรู้ว่ากายไม่ใช่ตัวตน ระดับที่สองรู้ว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่ใช่ตัวตนระดับที่สามรู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวตนระดับที่สี่รู้ว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาหาบุคคลเราเขาหรือชายหญิงไม่ได้เลยทั้งในมิติอันเป็นธรรมดาของมนุษย์นี้และในมิติอื่นอันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า การรู้ทุกระดับอาจจะเป็นสายสืบเนื่องตามลาดับอาจสลับรู้ระหว่างหยาบและละเอียดเพื่อความประจักษ์แจ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปและที่สำคัญคือทุกระดับแม้แต่หยาบที่สุดเช่นกายก็อาจจะส่งให้จิตทำลายอุปทานในตัวตนเข้าถึงมรรคผลได้ทั้งสิ้นจึงไม่ควรกล่าวว่าอาการรู้หยาบกับละเอียดนั้นอย่างไนที่มีคุณภาพยิ่งย่อนกว่ากัน ทากพิจารณาแนวทางของพระพุทธองค์แล้วก็จะพบว่าเป็นอุบายที่เหมาะสมสำเร็จรูปคือทรงสอนให้รู้เท่ารู้ได้ก่อนตอนแรกมีการแบ่งรูปแบบนามเพื่อง่ายต่อการแยกแยะเข้าตั้งสติรู้